เป็นทุกข์กับเห็นทุกข์เป็นท hmm! hey, ุกข์อยากหายทุกข์อยากตีอกโชกหัวอยากด่าทอคนที่ทำให้ทุกข์อยากกร้ามครวญให้โลกรู้ว่าตนทุกข์เห็นทุกข์ไม่อยากหายทุกข์จนโกรว์วนกรวายไม่ได้อยากด่าคนที่ทำให้ทุกข์ไม่ได้อยากกร้ามครวญให้ใครฟังระหว่างเป็นทุกข์ กับเห็นทุกข์ต่างกันตรงที่มีสติกับไม่มีสติเห็นทุกข์โดยไม่รู้สึกโทมนัสคือไม่รู้สึกกรธกรวายอยากหายทุกข์ไม่รู้สึกพลุ่งพล่านอยากด่าทอผู้ทาให้เป็นทุกข์ไม่รู้สึกอยากคร่ำครวญพนานาทุกข์ให้ใครฟังรู้สึกแต่ว่าทุกข์เป็นอารมณ์มืดชั่วคราวรู้สึกแต่ว่าทุกข์เป็นความปั่นป่วนชั่วคราวรู้สึกแต่ว่า ทุกเป็นความกดดันชั่วคราวเป็นของภายในเกิดที่ข้างในหายไปจากข้างในไม่เกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่ขึ้นอยู่กับใครนอกตัวนั่นแหละคุณตีตัวออกห่างจากสัญชาตญาณดิบของมนุษย์แล้วคุณอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขที่แท้แล้วคุณกําลังเจริญสติอย่ามีคุณภาพแล้วธรรมดาเมื่อชาวโลกเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อใด อยากตีอกชกหัวอยากหายทุกอยากด่าทอคนที่ทำให้ทุกอยากกล้ามครวญพรรณนาให้คนทั้งโลกรู้ว่าตนเป็นทุกต้องอาศัยผู้รู้ทางดับทุกที่แท้จริงอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกมาชี้ทางว่าอย่าดูข้างนอกให้ดูข้างในดูที่ต้นตอทางใจไม่ใช่จดจ้องแต่ต้นเหตุทางหูตาเมื่อ ท, ทาตามท่านชี้ทางอยู่ ยอมเห็นความมืดบอดของใจบ้างความปั่นป่วนทรมานใจบ้างความกดดันในใจบ้างเห็นไปเห็นมาจะเริ่มเอะใจว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้จริงไม่มีสิ่งใดอยู่ในใจนานอารมณ์ทุกข์เป็นแค่ของแปลกปลอมผ่านเข้ามาทางหูทางตาแต่อยู่ในใจไม่ได้ปราบเท่าที่เราไม่เชื่อว่ามันเป็นตัวของเราของของเรา